วัคที่หกทุกขวร์หมดว่าด้วยทุกปริวีมังสนะสูตรว่าด้วยการพิจารณาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุเมื่อพิจารณาจึงชื่อว่าพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบทุกประการภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอธิบายเนื้อความพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า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 ชราและมรณะนี้ใดมีทุกหลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกทุกนี้มีชาติคือการเกิดเป็นเหตุมีชาติเป็นเหตุเกิดมีชาติเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอรู้ชัดชราและมรณะ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 อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจรารณาย่อมพิจารณาว่าชาติคือการเกิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดเป็นกำเนิดเป็นดานเกิด เมื Shit, ่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มี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 เพื่อความดับแห่งสังขารโดยชอบทุกประการบุรุษบุคคล น, นี้ตกอยู่ในอวิชชาถ้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแตง่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบุญถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแตง่งวิญญาณก็ประกอบด้วยบาปถ้าสังขารที่เป็นอเนชาปรุงแตง่งวิญญาณก็ประกอบด้วยอเนชา ในการใดภิกษุละอาวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ปรุงแต่งปุญญาพิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีไม่ปรุงแต่งอปุญญาพิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วและไม่ปรุงแต่งอเนจรชาพิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคง เพราะกำจัดอวิชชาได้เพราะมีวิชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ปรุงแตง่งไม่จงใจก็ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปริริณพานเฉพาะตนรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมอัจารย์แล้วทำกิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสําหรับคําว่าบุรุษบุคคล น, นี้ในที่นี้เป็นพระดํารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกตามสมมุติของชาวโลกเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีคาถาสองอย่างคือสมมติคาถาถ้อยคําสมมุติตรัสตามที่โลกสมมุติเช่นตรัสว่าสัตว์นารกบุรุษ ติดนาเป็นต้นและอย่างที่สองคือปรมัตถกถาถ้อยคํโดยปรมัตตตรัสตามสภาวธรรมเช่นตรัสว่าขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงปรมัตถกถาก็ไม่ทรงลืมที่จะตรัสสมมติกถาทั้งนี้เพื่อให้เวนัยสัตว์ ได้เข้าใจธรรมะนั่นเองพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าถ้าภิกษุนั้นสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยภุกขเวทนาก็รู้ชัดว่า ทุกขเวทานานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขธมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยสุขเวทนาก็เป exactly ็นผ si> ู้ปราศจากกิเลสสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลส สวยปุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปรารสจากิเลสสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด <loser> ก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาที่มีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่า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 เหลืออยู่เพียงกระเบื้องหม้อเท่านั้นอุปมาณ้ฉันใดอุปไมาอก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุผู้ขี่นาศพพึงปรุงแต่งปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและอเนียนชาพิสังขารบ้างหรือไม่ปราบทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า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 เพราะนามรูปดับสลายตนะพึงปรากฏหรือไม่ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเมื่อสลายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสลายตนะดับผัสสะพึงปรากฏหรืไไ อ, ราามอ greatest, ไ, ม, ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับเวทนาพึงปรากฏหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้ง ป, <privileged S 1> ปวงเพราะเวทนาดับตันหาพึงปรากฏหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเมื่อตันหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตันหาดับอุปาทานพึงปรากฏหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับพบพึงปรากฏหรือไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับชาติพึงปรากฏหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเมื่อชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับชราและมรณะพึงปรากฏหรือไม่กราบทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาตรัสว่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสำคัญจงเชื่อน้อมใจเชื่อข้อความนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขปาทานนสูตรว่าด้วยความยึดมั่นถือมั่น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 พึงลุกโลงบุรุษใส่ญ้าแห้งโคไม้แห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกๆระยะก็มอเป็นอย่างนี้กองไฟนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโลงตลอดกาลนานอุปมาณิฉันใดอุปมหมก็ฉันนั้นเมื่อพิกสุ พิจารณาเห็นโทษหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามระโสกาปริเทวะทุกโทมานสและอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ เปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี3ส4บสสสี่สบเล่มเกวียนบ้างพึงลุกโลงอยู่บุรุษไม่ใส่หญ้าแห้งไม่ใส่โคไม้แห้งและไม่ใส่ไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้นทุกๆระยะก็เมื่อเป็นอย่างนี้กองไฟใหญ่นั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นไฟนั้นก็พึงดับไป พราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมาณิฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโอษหนึ่งเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉันนี้ สังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยชนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจรารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนคือกิเลสอันผูกใจสัตว หรือธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ เปรียบเหมือนประที่น้ำมันพึ่งติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษเติมน้ำมันและใส่ไส้ในประที่น้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประที่น้ำมันนั้นได้อาหารได้เชื้ออย่างนั้นพึ่งลุกโผล่ตลอดกาลนานอุปมาณนี้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษหนึ่งเนืองในธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ บูรุษไม่เติมน้ำมันและไม่ใส่ไส้ในประที่นน้ำมันนั้นทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประที่นน้ำมันนั้นไม่ได้อาหารไม่ได้เชื้ออย่างนั้นที่สุดไฟนั้นก็พึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมาณ้ฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นมหารุกขสูตร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 อุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยอบจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆอบราบทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้น ได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณ้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองในธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นผุรดุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้ที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยโดยที่สุดแม้เท่าก้านแตกขึ้น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 เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาณ้ฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษนเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมดับรอบตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้เตรุณรุกขสูตรว่าด้วยต้นไม้อ่อนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิกษุพิจารณาเห็นความพอใจหนึ่งเนืองในธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้เปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นบุรุษพึ่งถนอมรากปรวนดินรดน้าสม่ำเสมอ เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงถึงความเจริญงอกงามไพ่บูนอุปปมาณนี้สันใดอุปมาอมยก็ฉันนั้นเช่นกันและเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษนเนือ ง, งในธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนาย่อมดับเราะตันหาดับอุปาทานจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้เปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้นั้นและขุดถอนรากถอนโคนเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเช่นกัน นามรูปสูตรว่าด้วยนามรูปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจรารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนามรูปย่อมหยั่งลง เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษนองเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนนามรูปย่อมไม่อย่างลงเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ นิธานสูตรว่าด้วยธรรมะที่เป็นต้นเหตุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวกูรูชื่อว่ากัมมาสธรรมะแคว้นกูรูครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะลึกซึง้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมะง่ายๆพระพุทธเจา้าขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะลึกซึง้งสุดจะคาดคะเนดได้ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่บรรลุธรรมนี้มูสัต จึงยุ่งเหมือนขอดได้ของช่างหูกเป็นปมนุงนางเหมือนกระจุกได้เหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอับบายทุกติวินิบาตสงสารคือสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือ ง, เนองในธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาย่อมเจริญ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมานต์และอุปายา จ, จึงมีความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้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 ุกขวั